เมื่อนายเนียรยะบาลได้ทุบตีสัตว์นรกลงโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วท้าพญายมราชเมื่อเห็นสมควรจึงได้สั่งออกไปเอาพอแล้วพอแล้วเออแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอาละพวกเจ้านำอาหารมาเลี้ยงมันต่อไปเถอะแม้ท้าพญายมราชนี่ ดูแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่าท่านนั้นมีจิตเมตตาตรงนี้แหละอาตมายินดีและก็โมทนาสาธุที่ท่านนั้นมีเมตตาต่อสัตว์นรกเหล่านี้อย่าอย่างนั้นเลยพระคุณเจ้าเอ้ยข้าว่าเจ้าก็ทำตามหน้าที่เท่าที่ทําได้อย่างนั้นแหละถ้าไม่ลงโทษพวกมันบ้างเลยสัตว์นรกเหล่านี้ก็จะทําร้ายซึ่งกันและกันเอง อันไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ข้าพเจ้าก็มาได้หมายความว่าการกระทําของข้าพเจ้านี้มีความเมตตาปรานีหาได้ไหมขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดชมดูต่อไปเถอและแล้วขณะที่สัตว์นรกต่างๆ กำลังตักอาหารใส่ปากมันก็นึกชมอยู่ในใจว่าพระคุณเจ้าสามารถจะโปรดช่วยเหลือมันได้แล้วในที่สุดเหตุการณ์อันน่าสะเพรึงกลัวก็ได้เกิดขึ้นพระเถระได้เห็นว่าสัตว์นรกเหล่านั้นแทนที่จะทานอาหารใส่ไปในปากกลับกลายเป็นว่า อาหารที่อยู่ในปากของสัตว์นรกเหล่านั้นก็กลายเป็นเหล็กร้อนเป็นไฟก้อนเหล็กแดงที่ตกลงไปในท้องของสัตว์นรกเหล่านั้นก็ทำให้ไหมพุ้งไหมไสของสัตว์นรกเหล่านั้นให้ก ร, กระจายออกมาท่ามกลางความเจ็บปวดร้องรั่นอย่างสุดเสียง ภาพอันน่าสะพรึงกลัวนี้ท่านพระมารัยก็ได้ถึงอุทานออกมาว่าโอ้ทำไมทาไมท่านท้าพญายมราชถึงได้โหดเยี่ยมถึงปานนั้นท่านหลอกลวงให้เขาทานอาหารหรือนี่ออไม่ใช่อย่างนั้นเลยประคุณเจ้าอย่าได้มาโทษข้าพเจ้าเลยนี่แหละเป็นกรรมของเขานั่นเอง จริงๆแล้วข้าพเจ้าได้เมตตาเพียงแค่นี้เองว่าไม่อยากให้สัตว์โรกเหล่านั้นต้องทําร้ายกันเพราะเหตุที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับผลกรรมที่ฐานอาหารที่เป็นก้อนเหล็กไฟต่างหากเล่าเห็นแล้วก็น่าเวทานาอย่างยิ่งข้าพเจ้าทําได้เพียงแค่นี้แลพระคุณเจ้าเอ้ยสัตว์โรกเหล่านี้ แต่ก่อนนั้นได้เคยทำงานเพื่อบาบัดทุกบารุงสุขประชาชนเออแต่คราวหลังกลับมาทุจริตรับิดชอบชอบ่ช อ, ช, อชนเอาทรัพย์สินตรอจนข้าวปล<ร>าอาหารจากจประชาชนมาใส่ท้องตอนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครหรือความเดือดร้อนของประเทศชาติเขาถือว่าอย่างไรอย่างไร ในส่วนนี้ก็เป็ น, ปนความชอบของเขานั่นเองแต่ในที่สุดผลกรรมมันนั้นทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องมองเห็นอาหารแล้วกลับกลายเป็นก้อนเล็กแดงให้ได้รับโทษไทยอย่างนี้และพระคุณเจ้าเอ้ยสัตวน์นรกบางประเภทในที่นี้บางที ก็ชอบอ้างว่าจะทำบุญเรี่อไรขอรับบริจาคไปสร้างวัดบ้างสร้างวิหารบ้างสร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลหรือแม้แต่งานบุญต่างๆแต่กลับยัก ย, กยอกเงินบริจาคนี้ไปใช้ส่วนตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการโกงบ้านโกงเมืองหรือเป็นประชาชนที่คดโกงต่อผู้อื่นก็ยอมได้รับผลกรรมแบบนี้และ แ ล, ละก่อนนร ก, นกแห่งนี้ ม, มีชื่อเรียกว่าอายโยคุละนรกพระคุณเจ้าแล้วท่านยมพบาลก็ได้พาพระเถระเดินออกจากนรกขุมนี้เพื่อไปเดินชมนรกขุมอื่นต่อไปไม่ช้านัก ก็มาพบสวนมะม่วงซึ่งเป็นลานกว้างใหญ่สวนมะม่วงมากมายนานาชนิดมีทั้งใบหนาลูกดกแต่ที่แปลกก็คือช่างสวยงามกว่ามะม่วงในเมืองมนุษย์มากมายนักราวกับว่ามะม่วงนี้ ถูกปลูกมาเป็นอย่างดีมีผลมะม่วงเป็นลูกใหญ่โตสีเหลืองอลามสุกงอมหน้าและประทานเป็นอย่างยิ่งฉพันธ์นั้นท่านยมบาลพาพระเถระไปถึงที่นั้นแล้วก็มีสัตว์นรลกกลุ่มหนึ่งวิ่งมาเบื้องหน้าโดยกริยาท่าทางที่เต็มไปด้วยความดีอกดีใจเราวกับว่าเห็นผลมะม่วงนั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นอย่างยิ่ง สัตว์นรกต่างๆเหล่านี้ไม่รอช้าในการที่จะหวังผลมะม่วงนั้นต่างรีบกุลีกุจอที่จะเด็ดผลมะม่วง<ม>อย่างมิทันที่สัตว์นรกเหล่านั้นจะรีบปีนป่ายขึ้นไปบนกิ่งมะม่วงฉับพลันก็เกิดลมแรงพัดอื้อเอิญทำให้ใบของมะม่วงนั้นร่วงร่นลงมา ใบมะม่วงนั้นก็กลับกลายเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบปลิวสะทัดเพื่อถูกต้องกายของสัตว์นรกเหล่านั้นให้ขาดวิ่นไปใบมะม่วงนั้นได้กลับกลายเป็นมีดแล้วปลิวไปถูกแขนแขนก็ขาดปลิวไปถูกขาขาก็ขาดถูกศีรษะถูกลำตัวถูกอวัยวะต่างต่า ง, างก็ขาดและเป็นบาดแผลลึกมากมายสัตว์นรก ต, ต, ต่างเหล่านี้ ต่างร้องไห้ควรวญครางอย่างน่าสงสารเป็นที่สุดสัตว์นรกต่างๆมากมายต่างก็เรีบวิ่งหนีใบมะม่วงที่กลับกลายเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบเหล่านั้นเมื่อวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มีกำแพงเหล็กใหญ่ลุกโชดช่วงโดยเปลวไฟพุขึ้นจากแผ่นดินนั่นเองขวางกั้นพวกมันเอาไว้ ไม่ผิดอะไรกับฟูงสัตว์น้อยในป่าที่ถูกนายพรานผู้ฉลาดสกัดกั้นทางหนีของพวกมันบางพวกวิ่งเข้าชนกำแพงที่เป็นเปลวไฟและเปลวไฟนั้นก็รุกไหม้พวกมันบางพวกวิ่งหนีย้อนกลับก็ถูกใบมะม่วงที่เป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบ ตัดลำตัวตัดแขนตัดขาอีกเช่นเคยและแล้วเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าใดๆก็เกิดขึ้นมีสัตว์รกตัวใหญ่เท่าช้างสารวิ่งตระกูเข้ามาเพื่อหมายจะงับเอาสัตว์รกเหล่านั้นกินเป็นอาหาร